และนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสำหรับบทอารหมาดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธองค์การนี้ถูกนำมาก่าวในบทถึงสาสิบเ็ครั้งโดยก่าวไว้แดครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับความมาส จ, จัรร์ในการสร้างความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างครั้งที่สองในวันพโลก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 แกลมัลกุรอานพระองทรงสอน ال ال ان ان อัลกุรอานขลักัลอินซานพระองทรงสร้างมนุษย์แกลมฮุลบียนพระองทรงสอนให้เขาเปล่งเสียงพูดอัลชัมสวัลขัมร์บิฮุสบาน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะโคจรตามวิถีที่แน่นอ น, น, น, นและดวงดาวและต้นไม้ทั้งสองนั้นจะกราบพระองค์สสาาลและชั้นฟ้านั้นพระองค์จะทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้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 และพันดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นในพันดินนั้นมีผลไม้และต้นอินทผลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น และมีเม็ดที่มีเปลือกและมีกลิ่นหอมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเนนสธพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทเครื่องปั้นดินเผพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา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 ระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นขีดขวางมีให้ล้ำเขตต่อกันบบอดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทังสงครงมปฏิเสธ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 ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะขอพรองอยู่ทุกๆวันพรองทรงมีภาราจิตดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธน อีกไม่ช้าเราจะจัด ก, การกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์และยินเอ๋ยดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยาเมื่อัลนจินนีแลอินสิอินสตัตตุมอันทัฟดูมินอคกตาดิสเมาวาะิวัลอัล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 เว้นแต่ด้วยพลังของอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิ เ, เ, เสธรเปลวไฟและทองเหลืองจะถูกส่งมายัางเจ้าทั้งสองและเจ้าทั้งสองก็ไม่อาจป้องกันตนเองได้ أ آ ดังนั้นด้วยบนคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธทันเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายที้ผึ้งแบีเอาลาอิับบิบาน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและในวันนั้นมนุษย์และยิงจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขาดังนั้น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 ดังนั้นด้วยบุญคุณนันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธนี่คือนรกที่บรรดาผู้ที่มีความผิดไม่ยอมเชื่อเพราะเขาจะเดินวนเวียนอยู่ร่บๆ ร, ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือด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 ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์สองแห่งนั้นมีต้นไม้แผ่กิ่งก้านเขียวชุ่มและผลไม้หลากชนิดดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ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 ในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารี์ผู้ลดสายตาลงมองเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องตัวนามมาก่อเลย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 และยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่งบบดังนั้นด้วยบุญคุณนันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ม, มสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขียวฉุน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 ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองพี่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้และมีผลอินทพลัมและผลทับทิม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 เคยแต่ต้องตัวนางมาก่อนเลยดังนั้นด้วยบุญคุณอันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพวกเขาจะนอนเอกทะเนกบนหมอนอิงสีเขียว